หลักปฏิบัติชั้นยอดที่สุดถ้าจะเอาดีกับพระพุทธเจ้าจริงๆก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกพยายามปฏิบัติศีลห้าให้มันถูกต้องอยู่กันที่ตรงนี้ไม่ต้องไปไขว่คว้าอะไรให้มันมากนัก 1. รักษาศีลห้าสอทำกิ จ, จวัตร อุปถากเลี้ยงดูบิดามารดาให้ดี 3. ฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้อยู่ที่จิตตลอดเวลาถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่จิตนั่นแหละคือพุทธะผู้รู้พุทธะผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานถ้าจับจุดนี้ได้แล้วสบายมากไปที่ไหนเราก็ไปกับพระพุทธเจ้านั่งนอนกินอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลา คนทั้งหลายศึกษาธรรมะไม่รู้จักจุดมันไม่รู้จักจุดที่จะเอาดีเราต้องเอาดีกันตรงนี้ตรงที่มีสติรู้จิตตลอดเวลาผู้ที่มีสติรู้จิตตลอดเวลาเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะเมื่อทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นตลอดเวลาชื่อว่ามีพระธรรมอยู่ในใจ เมื่อมีพระธรรมอยู่ในใจพระธรรมก็คอยเตือนให้เรารู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเราจะตั้งใจละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมออันนี้คือหลักปฏิบัติชั้นยอดที่สุด